เนื่องมาจากปกอนุวัตรรัตดาวันจิตกรผู้วาดภาพปกเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะจิตกรรมประติมา ก, กรรมและภาพพิมพ์สาขาวิชาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อปีพุทธศักราช2551เป็นผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งภาพเขียนของอนุวัตส่วนมากจะเป็นงานเขียนจิตกรรมไทยที่สวยงาม เก็บรายละเอียดได้ดีอนุวัตรมีความมั่นใจในการเขียนงานทุกชิ้นผลงานจึงออกมาได้ดีมากอาจารย์หลายท่านออกปากชมงานของเขาและให้ความเห็นว่าผลงานของอนุวัตรจะเป็นที่ชื่นชอบและต้องการของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องจิตกรรมไทยเป็นอย่างยิ่งอนุวัตรเป็นผู้ที่มีอุดมการครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยอะไรหาเช้ากินข้ามไปวันวันหนึ่งอนุวัตเป็นคนเจียมตัว ไม่ได้ใช้ชีวิตสำราญเช่นคนหนุ่มทั้งหลายตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่มีสมาธิจัดวางชีวิตของตนอย่างมีระเบียบอนุวัต์มีดวงตาใสาซื่อเอื้อเฟื้อกับทุกคนหากทำได้ในวันรับปริญญาตรีซึ่งเป็นวันสำคัญของชีวิตเป็นชัยชนะและความสำเร็จที่ได้มาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงอนุวัต์ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ลหลายๆท่านในเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพื่อเป็นกาลังใจให้กับเขา อนุวัตตั้งใจเขียนภาพให้ผมอย่างเต็มฝีมือเพื่อประกอบหนังสือชุดหลวงตาและเพื่อจัดพิมพ์ในโอกาสต่างๆภาพหลวงปู่มั่นและภาพหลวงตาของอนุวัตสวยงามมากเขียนด้วยสีช็อกดูมีชีวิตชีวาดังที่ท่านเห็นในหนังสือเล่มนี้ผมขออนุโมทนากับอนุวัตสำหรับงานที่เขาทำถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวหากท่านผู้อ่านได้ความประทับใจ และได้รับประโยชน์จากภาพในหนังสือนี้ขอได้โปรดร่วมอนุโมทนาให้กับอนุวัตด้วยเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันครับลงชื่อคุณหลวง